มีได้ทุกคนถ้าตั้งใจไปเพื่อปฏิบัติให้มีความร่มเย็ยนเป็นจุขโลกนี้ก็เป็นโลกผาสุขร่มเย็ยนน่าอยู่น่าอาศัยน่ารื่นเดินบันเทิงถ้ายิ่งขึ้นไปกว่านั้นติดจะปฏิบัติเพื่อความสูขความเจริญพานา จ, จิตใจยิ่งขึ้นกว่าภาคทั่วทั่วไปส่วนทั่วๆวไปนี้ก็พยายามบําเพ็ญตน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 ธรรมชาตินั้นมาเทียบยังประถาคตว่าเป็นอย่างไรแล้วจะมีอะไรสงสัยเพราะธรรมชาติที่บริสุทธิ์นั่นเหมือนกันนี่ฟังกข้าว่าของบุรุชาติเป็นหลักสำคัญอย่างนี้การทำจิตใจการทำตัวให้เป็นคนดีคือว่าเป็นการสั่งสมความสุขความกระเรินขึ้นภายในจิตใจจนโดยลํานัะผลก็คือความสุขนั่นเอง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 อย่างไรนั้นจะไปสอนไม่ได้เวลานี่ยเวลาเราเข้าสู่ส ง, งครามคือตาจนภายในท่านา น, นขันเฉพาะอย่างยิ่งเวลาจะแตกจะสลายนี่มันก็เหมือนกับอีแลนอลีกาที่มาจับต้นไม้เวลามาจับก็เสก็ไม่ค่อยกระเทอือนอะไรมากนะแต่เวลามันจะไปบัทีขยิเหา่กิ่งมันไหวหมดทั้งกิ่งบางทีหากกิ่งมันตา ย, ยานี่พื้นแม่น้ห น, นามมันคงหักไปก็มี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 ฝึกหัดตนโดยทางสติปัญญาจนมีความสามารถแล้วจะเป็นอย่างนี้แน่นอนไม่เป็นอื่นแต่ถ้าสติปัญญาอาภาพัพกิจจังแล้วก็ทอแค่อ่อนแอถอยหลังแล้วเรื่องความทุกข์จะรุมเข้ามาสู่ที่จิตใจทั้งหมดทอดใจเป็นผู้สั่งสมทุกข์ขึ้นมาเองด้วยความโง่ของตนเองนะเพราะฉะนั้นความทถอถอยจริงไม่ใช่ทางที่จะชนะตนให้พ้นจากทยทั้งหลายไปได้นอกจากความขยันหมั่นเพียรนอกจาก